เป็นของดีมีคุณค่าสูงสามารถที่จะปฏิบัติดีทวีคูณขึ้นได้ดีกว่าสัตว์ทั่วไปเพราะพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าที่ท่านกำจัดจีเลตัญหาทำลายอาวิชาอุปาทานจนจิตใจของท่านบริสุทธิ์ เป็นพระอารหัสตอรหันต์ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันกันกบพวกเรานอกจากนั้นผู้ที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในวัตศาสสาจะเป็นเทพพระบุตรเทพพระธิดาอินทร์มต่างๆก็ไปจากชาติมนุษย์ที่ทำคุณงามความดีเอาไว้พวกถิ่เปรตเปมกโคมไฟตกนรกอเวจีเป็นผีเป็นเปรตก็ไปจากมนุษย์ที่ทาชั่วทาเสีย เมื่อเราทราบอย่างนั้นตัวของเราปัจจุบันเราได้ทําคุณงามความดีไว้แค่ไหนจิตใจในปัจจุบันเมื่อจากอัตรภาพไปเราจะไปสู่พบใด้ฉาดใดทราบหรือยังเมื่อยังไม่ทราบจะไปนอนใจตายใจอย่างไรจะต้องรเร่ ง, เรเรงรีบทําคุณความดีเอาไว้เพื่อให้แน่ใจ ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางคือพระนิพพานเมือ่อดายพบชาดิทางหน้าเราจะไม่ให้ผิดหวังคือทำความดีเอาไว้ความดีที่เราทำเอาไว้จะนำเราไปถึงไม่เคยเห็นมาสวรรค์อยู่ที่ไหนเทวดาเทพประบุเป็นอย่างไรเราจะมีสิทธิ์ที่จะเห็นจะเป็นอย่างนั้นได้เหมือน ก, นกันกับความชั่ว ที่คนไม่เชื่อว่าทำความชั่วนรกเปรตอสุรกายเป็นอย่างไรเมื่อเขาทำไว้ถึงไม่อยากไปไม่อยากเห็นแต่กรรมชั่วที่ตัวทำไว้ก็สามารถถักดันไปให้เห็นให้เป็นอย่างนั้นถัดเทียบกับเรื่องปัจจุบันคนทําชั่วที่ไม่เคย เข้าห้องขังติดตรางมาได้รับความทุกข์ทรมานอย่างไรนั้นแต่เขาทําชั่วเพราะความไม่เชื่อของเขาไม่นานคนคนนั้นจะถูกเขาจับคุมคุมตัวได้จะพาไปห้องขังเป็นอย่างไรก็าไม่เคยเห็นเขาก็จะเห็นคุกเป็นอย่างไรก็ไม่เคยเห็นเขาก็จะเห็นคนอยู่ในห้องขังปอดี ในตารางก็ดีมีสิทธิ์แค่ไหนเขากวจะทราบความทุกข์กายทุกข์ใจในนั้นเป็นอย่างไรเขากวจะทราบเพราะคนอยู่ในนั้นไม่มีสิทธิ์มีอํานาจอยากจะไปที่ไหนตามอําเภอใจไม่ได้เขาจะต้องมีกฎบังคับเอาไว้ถ้าไปไม่ได้บอกลาเขาหรือเข้ามีนุ้มัต ม่อนุญาตให้ถ้าฝืนไปเขาก็ปรับโทษหนักเขาไปอีกนี่คนที่อยู่ในคุกในตารางเป็นอย่างนั้นการอยู่จินก็เหมือนกันเขาจะต้องแจกให้แบ่งให้ไม่ใช่ว่าเราจะทำจินหึงหาจินตามความต้องการของเราได้ มันไม่มีความถูกความสบายอะไรคนที่เข้าตล า, างเขาเล่านี่ก็ไม่เคยเข้าไม่เคยเข้าไปเหยียบสักทีอะในชีวิตที่เกิดมาชาตินี้ไม่ว่าจะไปอบรมเขาหรือจะเข้าไปดูคนที่เป็นเลื่อนฝูงติดตรางยังไม่เคยย่างเข้าประตูตารางจึงไม่มีความรู้ถวนนี้แต่คนที่เขาเข้าไป เขา่าทุธมากลำบากมากเหมือนเขาบอกให้นอนผ้าฝ่าฝืนก็ถูกเคี่ยนถูกตีเขาบอกให้ลุกถ้าไม่เป็นไข้ก็ต้องได้ลุกการนอนก็มีการผูกการมัดกันไว้ลำบากทุกยากนี่สถานที่ปัจจุบันคนทำชั่ว เราก็เห็นกันว่ามันได้ไปสู่ที่ชั่วที่ทุกข์คนทำดีแล้วปัจจุบันทันตาก็พอเห็นกันได้ว่ามันสุขสบายแค่ไหนคนทำดียอมเสียสละมานาทิชฐิยยอมเสียสละทางกิเลสตัณหาทางโลก มาประพฤติปฏิบัติตามศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจนปฏิบัติตัวดีจิตใจไม่ไข่คิดไข่ฝันในเรื่องของโลกมีแต่เต็มใจเิดเพินในอัตในธรรมที่จะได้นาขับไล่กิเลสตัณหาที่ยังมีอยู่ให้ตกออกไปหลุดออกไป ใจสงบใจสว่างสวยัยใจใสใจสะอาดสุข ท, ทั้งทั้งทีไม่อทำมาค้าขายทำหลักรษฐกิจประการอะไรจะอยู่ในใสถานที่ลึกจากการคมนาคมแต่ก็มีคนสนใจไปสักการะบูชา นำวัตถุเข่าของต่างๆไปให้ไม่ได้ทุกยากลำบากอะไรครูอาจารย์ที่ท่านมีคุณงามความดีสมัยพุทธกาลกมเงินกันสมัยปัจจุบันก็อย่างนั้นถ้าหากทำความดีอย่าไปคิดว่าความดีจะไม่ให้ผลปัจจุบันก็เห็น ผลไปจากชัดเจนมีพอเป็นพอไปทำคุ้มควองรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติทำเอาไว้มันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นพวกเราท่านที่เกิดมาเป็นมนุษย์จึงมีสิทธิพิเศษที่จะทำเอาได้จะทำเอาสวรรค์ก็ทำเอาได้จะทำเอามนุษย์ก็ทาเอาได้ จะาทำเอาฟุรมะโลกหรือนพิพพานก็ทำเอาได้แต่ต้องตั้งหน้าตั้งตาทำกันจริงๆเรื่องนรกเปรตอสุรกายสัจจิณสฐานเราไม่ปรารถนาที่เราเข้ามาวัดวามาฟังเทศหรือจำศีลให้ทานก็ปรารถนาคุณความดีไม่ได้ปรารถนาจะเป็นเป็นเปรตเป็นผีเราจรึงทำอย่างนี้ ถ้าเราปรารถนาอย่างนั้นเราก็มาทำกันแบบนี้ไม่ได้เพราะกลัวจะไปเกิดเป็นมนุษย์อีกกลัวจะเปเป็นเสีพระบูตาเสบพระธิดากลัวจิเลยียตันหาจะตกจระโจนไฟวิ่งไปหาตั้งแจสิงสหยั่วยุจิตใจให้ต่ำตามเท่านั้นคนถี่เป็นแบบนั้นมันก็มี อยู่ในโลกมากดานดืนเหตุนั้นรทพุทธเจ้าที่มาตัดสรู้ในโลกจึงมีมากแนวสอนสัตว์ขนสัตว์เกิดใจคามไปจาก เ, จเกิดแจ่เจ็บตายก็ได้ังแต่เพียงเล็กน้อยแต่สัตว์ที่มันยังเป็นปทาพรมะคือมือดอยู่บอดอยู่บอกให้มันรู้สีแสงอะไรเพราะมันบอดมันก็ไม่เห็น เมื่อไม่เห็นมันก็เกิดอยู่เรื่อยตายอยู่เรื่อยจนมันตามันค่อยดีขึ้นพระพุทธเจ้าองค์อื่นม า, าศาสตร์อีกแนะอนอีกค่อยเบาบางไปเลยผนไปได้จากความแจกความตายไปองค์นั้นนิดองค์นี้หน่อยพระพุทธเจ้าจึงไม่ขาดจากโลก คือมาตัดมาสอนอยู่เรื่อยสุราธนาเป็นพระพุทธเจ้ากายังมีเหลือเรื่องพระพุทธเจ้าสอนนั้นพระองค์ยังทรงพระตนอยู่กว่าตามปรินิพพานไปแล้วกว่าตามก่าสอนให้ละชั่วบำเพ็ญดีทําจิตของตนให้ข่องใสนี่เป็นําสอนส่วนใหญ่ที่พระพุทธเจ้าสอน ชั่วไม่ได้เกิดขึ้นจากดินฟ้าอากาศไม่ได้เกิดขึ้นจากต้นไม้ภูเขาเกิดขึ้นจากพวกเร า, เร า, เราท่านท่านทำกันถ้าเราไม่ทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็จะไม่เกิดขึ้นแก่ตัวของตัวเราทากรรมชั่วกรรมชั่วจึงให้ผลแก่ตนของตนฉะนั้น การทำคือกรรมที่เราลงมือทำลงไปถ้าเราไม่ได้ทีนี้พิจารนาว่ากรรมนี้จะให้ผลชั่วดีอย่างไรมันก็ทำไปได้ถ้าเราพิจารนาว่ากรรมนี้เป็นกรรมชั่วเป็นตัวแสบสำคัญเมื่อทำไปแล้วจะให้ผลทุกข์ร้อนไม่วันใดกว็วันหนึ่ง มันจะตามไล่ให้ผลแก่ตัวของตัวถ้าทราบนในจิตในใจได้ชาติอย่างนั้นมันก็ไม่กล้าทำเพราะไม่มีคนอื่นที่จะรับกรรมที่เราทำแล้วโยนไปให้เขาได้เราเองจะเป็นคนรับกรรมชั่วที่เราทาไปนั้นมันจะติดดอกออกผลแก่ตัวของตัวชั่วเราจึงกลัวยิ่งกว่าสิ่งอื่นที่ควรกลัว เพราชั่วมันให้ผลแย่ตนคองตนเมื่อเราพินิพิจารณาทราบมูลความจริงเหตุผลของมันอย่างนั้นเราก็ละได้ปล่อยได้วางได้เพราะมันให้ผลแก่ตนคองตนเหมือนกันกับยาพิษเคลือบน้ำตาลถึงมันจะหวานทางนอกแต่ทางในมันเป็นพิษทราบดีว่าเมื่อเรากลืนกินลงไปนี่ เราต้องตายเนี่ยคนไม่ปรารถนาตายเขาไม่กินถึงทางนอกมันจะทำถาทีวีามีรสหวานก่าตามมันนี่ใจของพวกเราท่านที่อยากจะทำตามชั่วด้วยอำนาจราคาตันหาต่างๆก่าทำนองเดียวกันเห็นว่าทำไปแล้วมันเป็นพิษเป็นภัยมันให้ทุกข์หักห้ามเอาไว้ ไม่ทาชั่วนี่คือคนรู้เหตุผลที่จะนณาให้เป็นอัตเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนกรรมที่ชั่วท่านให้ละเว้นเมื่อเห็นในจิตในใจของตนอย่างนั้นมันก็ปล่อยไปละเว้นไปโดยไม่ต้องคิดว่าคนอื่นเขาจะเห็นเจ้าหน้าที่เขาจะจับกุม เราเห็นอยู่ในจิตในใจของเราว่าชั่วนี้มันมีผลจริงจงจังๆคนอื่นเขาไม่เห็นแต่กรรมชั่วสี่ตัวทำเราเห็นในจิตในใจของเราว่าเราทำชั่วเราจึงกลัวไม่อยากทำถึงคนอื่นไม่เห็นแต่ตัวของตัวก็เห็นอยู่คนอื่นไม่รู้ตัวก็รู้อยู่ว่าสิ่ง น, นี้เป็นเรื่องชั่ว ถาเห็นในจิตในใจชัดเจนอย่างนั้นมันปล่อยได้วางได้ไม่กล้าสามารถที่จะทำกรรมดีกว่าทำนองยกกันถึงทุกยากลำบากไม่อยากทำแต่เธอว่าทำแล้วจะให้ผลแต่ตนข้่องตนคุ้มค่าไม่ขาดทุนสูญหายไปที่ไหนเข้าใจชัดเจนอย่างนั้นก็ลงมือทำได้ถึงจะยากลำบากเท่าไร กลรมือทาเพื่อผลประโยชน์ติ่ตนต่องการพระพุทธเจ้าสอนให้ละกรรมชั่วบาเพ็ญกรรมดีแล้วทำจิตของตนให้พองใสทำอย่างไรจิตของเรามันพองใสหรือมันมืดบอดเดี๋ยวนี้ปกติไม่มองเห็นเพราะเหตุใดเพราะไม่ได้สนใจ ทั้งทงที่ว่าตัวมีจิตมีใจอยู่แต่ไม่รู้ว่าจิตใจของตัวเป็นอย่างไรไม่เข้าใจตัวคลองตัวเลยแล้วจะให้ใครมาเข้าใจให้นอกจากตัวจะเข้าใจเรื่องของตัวเองทำเป็นสันติโกคือเห็นเองมันผ่องใสมันเสร้าหมองเห็นเองนี่ไม่ได้มองเลยเรื่องจิตใจว่ามันเศ้ามันใสมันดีมันชั่วไม่ได้มอง ต่อเมื่อมันให้ผลเท่านั้นจึงจะทราบวันนี้จิตใจว้าวุ่นคุณมัวจิตใจเดือดร้อนนี่มันให้ผลที่มันให้ผลอย่างนั้นสาเหตุของมันเกิดมาเพราะอะไรก็ไม่ได้สืบคนคิดแล้วไม่เค็ดลับในความชั่วของตัวที่มันให้ผลเป็นทุกข์มันจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำจิตทำใจให้สบายให้สงบให้ ส, ว, สว่างสวให้ใสสะอาดไม่เป็นถ้าหากเรามองดูจิตดูใจของเรามันมืดบอดแบบนี้เพราะเหตุไรมันก็มีทางที่จะทำให้มันสว่างสว้ได้นี่เราไม่ได้มองไม่ได้จ้องดูเลย ปล่อยปะอยู่อย่างนั้นแล้วแต่มันจะเป็นอย่างไรมันก็นเลยไม่เผาให้ตัวของเราได้เกิดเด้ตายอยู่เรื่อยรับทุกข์รับโทษอยู่เรื่อยฉังนั้นการฝึกจิตใจเก่ยบความผ่องใสนั้นถ่าจริงเห็นมีสติรารู้อยู่มีปัญญาสอบสืบ ด, ดูจะกำหนดลมหายใจ เพื่อจะถูกจิตใจในใข่คิดเปี่แป่งต่างๆก็ได้จะกำหนดหมดพุดโทโธก็ได้ไม่แต่พยายาไสตั้งใจทจําจริงๆแรงจังจิตถือชิดตรงยเกีเ่ยวกับเรื่องต่างๆนั้นในใส่ทางสุขทางสบายคนที่มีอารมณ์มากเทาไรคนนั้นทุกข์มากคนที่ละ อารมณ์ได้เท่าไรปล่อยอารมณ์ได้เท่าไรคนนั้นปุกคนนั้นสบายยิ่งอารมณ์ทุกอย่างเลยนะก่อความจิตใจมันก็สงบจิตใจเมื่อมันสงบมันก็สบายมันก็ผ่องใสเหมือนกันกับน้ําถ้าหากเราอยากจะให้มันสงบอยา่าไปก่อควกวนมันยิ่งกวนเท่าไรน้ํามันก็กระเพื่อมเท่านั้นแต่กวนอยู่ เน่นั่นก็จะฟุ้งขึ้นเรื่อยไปถ้าเราตั้งเอาไว้หนึ่งหนึ่งในแตะต้องมันมันก็สงบเแต่มันสงบแต่ก้อนมันก็เติมลงไปน้ําใสอยู่ข้างบนเราก็มองเห็นจะยมนดี ม, มันก็ได้ห้าแต่ก้อนมันฟุ้งขึ้นมาจนที่จ น, นตัวของมันมันก็มน่น่าดื่มเพราะมีแต่แต่ก้อนมีแต่ ของสูกกระปกุกมีจิตใจของเราก็ทำนองเดียวกันไม่เคยกำหนดให้มันอยู่ให้มันพักให้มันสงบนีแต่หาความฝุ่หาความเพลินตามอารมณ์สัญญาต่างๆถามีมหรสละพก็อยากจะไปดูอยากจะไปฟังการไปดูไปฟังมหรสละพต่างๆนั้น มันเป็นอารมณ์สัญญาที่อยู่วยุเกลียดตัณหาให้เกิดมากขึ้นถ้าเราอยู่ธรรมดาตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินมันก็ไม่มีอารมณ์มากเท่าไรยิ่งเรามากําหนดใจของเราใส่ลมหายใจก็ดีใส่บทพุทโธก็ดีอารมณ์อื่นหมื่นแสนจะเกิดขึ้นไม่ต้องยุ่งเกี่ยวเพราะอารมณ์ส่วนนี้เราเคยยุ่งเกี่ยวมาก่อนแล้ว ไม่เกิดผลประโยชน์อะไรให้มีแต่จิตใจห่อเหี่ยวเศร้าหมองล้วคิดได้อย่างนั้นตั้งใจกำหนดอยู่ในบทบริกรรมของตัวหรือลมหายใจของตัวเมื่อใดจิตไม่สงบเราจะไม่ปล่อยฝา่าละเลยการกำหนดของเราตั้งใจมั่นอย่างนั้นหรือมันไม่สงบให้ถึงเวลา งานมาพอสมควรมันอยากจะพักผ่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวเราก็พักผรอได้ระยะที่เราทําอยู่นั้นจิตไม่เด็ออกแห บ, บออกไปสู่อารมณ์อันใหม่เราก็มีความสุขพอสมควรเพราะจิตไม่เด็กท่องเที่ยวจิตอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐาน ถ้ามันสงบรวมให้ก็ไม่ต้องบอกว่าความสุขความสบายจะขนาดไหนคนที่เคยฝึกใจก็ทราบเรื่องเหล่านี้นี่เพื่อการทำจิตของตนให้พองใสต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาบังคับบัญชาจิตใจไม่อย่างนั้นจะไม่เปลี่ยนไปตลอดวันตายมีอุบายที่จะฝึกอบรมจิตของตัว พูดจีอยากจะทำจิตของตัวให้พองใสทำใจให้บริสุทธิ์ต้องทำอย่างนี้พูดทีชอบการเกิดอีกตายอีกแต่มุ่งดีหวังดีในภพชาติรีบเร่งกตะทำบำเพ็ญส่วนบุญส่วนกุศลเอาไปแต่ไปตายใจนอนใจป่ะใครอื่นก็จะทำให้นี่คือกำไรของชีวิต ท, ที่เกิดมาหากไม่ ต่างนาต่างตาทําอะไรวันคืนเดือนทีก็หลวงไฟห่วงไฟอย่อยางเนี้ยความตายก็ไห่มาทุกทีทุกทีผลที่สุดถึงวันถึงเว ล, ลาเขา่าเราจะห่วงจะห่วงสมบัติัสถานบ้านช่องเข่าคล้องขนาดไหนนั่นก็ไม่ฟังเสียงนะลูกยังเล็กยังแดงอยู่ไม่มีใครที่จะดูแลรักษาอยาจะให้ฉันตายเถอะ แก่ตัวไม่ได้ถึงการตายมาตายฉันยังไม่ได้ทาบุญบุญทานอะไรนะฉันตายไปแล้วเจอนี้อะไรเป็นที่พึ่งมันก็ห้ามไม่ได้อยู่เหมือนกันถึงวันมันจะตายมันก็ตายเท่านั้นมันเป็นกันอยู่อย่างนี้นอนเป็นอย่างนี้ความดีส่วนใดควรจะทำบาเพ็ญได้ในระยะความตายยังไม่มาถึงจึงเนหน้าที่ของพวกเราทุกคนอยู่สนใจในความดี จะสะสมให้เกิดให้มีในกายในวาจาในใจของคนไม่อย่างนั้นก็จะเป็นคนโมฆะเกิดมาหาสาระอะไรไม่ได้ตายไปความทุกข์ไม่แผลเขามันก็จะเกิดขึ้นแกเราคูคืกย์ไม่ได้ทำคื่งามทำดีอะไรเพราะไม่มีสมบัติมันก็จนเท่านั้น เมื่อยังมีชีวิตอยู่จึงมีกรรมจิตที่จะทําำจึงงามความดีเอาได้เมื่อเราทราบอย่างนั้นจงพากันพยายามจะทําบําเพ็ญเห็นว่าสิ่งใดที่จะเป็นยุลเป็นตัวนลเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตนของตนก็ดีแก่คนอื่นแก่สังคมก็ดีจึงจะทําบําเพ็ญอย่าไปตายใจนอนใจ ใครที่ค <c oughs> ิดที่เกอนาอย่างนี้ยืดประกอบคุณ ง, งามความดีของตัวถึงวันตายมาก็จะมีหน้าตายิ้มแยมแจ่มใสเพราะไม่กลัวไทรคือความตายตายไปแล้วพบหน้าชาติหน้ากรรมดีที่เราสะสมเอาไว้จะส่งผลให้มันมีการเสียใจเพราะความดีที่เราสั่งเอาไว้มันมีปิด ใจของเราอยู่นี่เป็นความดีใจความเต้นใจความสุขใจเพราะความดีติดตัวสร้างเอาไว้ทําใม่มีอะไรมันก็ทุกข์ใจร้อนใจมันแก่ตัวไม่ได้ความตายไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือเป็นฆราวาสไม่ว่ า, า, วาจะเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือเป็นเท่าเป็นแกะแก่ตัวไม่ได้เมื่อจะไม่ตายจริงควร สะสมคุณงามความดีเอาไว้เพราะทุกคนจะไปสู่จุดหมายปลายทางคือความตายเดียวกันเรานั่งสูดกันอยู่นี้อีกไม่กี่ปีในคนใดกับคนหนึ่งจะจากไปหรือไม่ถึงปียังไม่หมดปีจะนี้จากกันไปก็เป็นได้เพราะความตายในนี้เครื่องหมายว่าคนนั้นจะตายหนึ่งตายแก่คนนั้นจะตายวันนั้นวันนี้ ไมมีใครที่จะทราบความตายของตัวเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงควรตายใจนอนใจรีกบกระทำมอมเพนอเอาเสียไม่มีอะไรก็อต่งใจนั่งภาวนาบูชาคุณพระพุทธคธรรมพระสงฆ์บูชาดยดอกไม้ถูกเทียนเติบูชามาแล้ววันนี้เราจะเอากายเอาใจอันนี้บูชาพระรัตนใจต่างดอกไม้ถูกเทียน ้เราทำอย่างนี้มันก็เป็นวุ่นด้วยตื่นสนดูหนังฟังเพลงตลอดคืนตลอดวันได้เล่นการพรนันไม่กินเลยนอนได้พะใจมันติดใจมันชอบแล้วมานั่งภาวนาหาความดีใจมันไม่เอาฐานให้มีใจวิ่งไปที่ในวัดก็อยู่แต่แจกาใจมันวุ่นเยอะกว้าง กับการกับงนานกับพี่กับน้องกับเขากับของแม่รักษาใจของตัวเราจะหาความถูกความสงบมาจากที่ไหนเราต้องรักษาใจของตัวเชื่อมันมีอยู่ในใจต่อสิบกําจัดปัดเา่ามันออกไปดีอะไรที่มันมีแล้วก็รักษาไว้ดีใหม่ยังไม่มีแตทําบําเพ็ญถ้ามันมีขึ้นนี่คือคน คือสนใจรักษาตนของตนทํำไมสนใจในเนี่ยเพื่อจะจี้บัตรและอยากจะให้จิตใจมันผ่องสายอยากจะให้จิตใจมันบริสุทธิ์นั้นมันเป็นไปในได้เหมือนกันกันกบเราเนี่รับทานอะไรและอยากอิ่มเราไม่เดินไปแต่อยากถึงเราไม่ทำแต่อยากสําเร็จมันเน่ยกลาจะจากเหตุผลมันเป็นไปในได้ แต่นั้นทุกท่านจงพาจันทินิพพ์นาสะสมคุณงามความดีละชั่วจะทำจิตใจของตัวสู่เต่ามองมืดบอดต่างๆให้ฟองใสเมื่อต่าง่านต่างคนจะทำบำเพ็ญตนอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าปฏิบัติตามทำคำสอนของพรุทธเจ้าความสุขความเจริญที่เราปาถนะก็จะเกิด มีมาเสียตัวพ้องตัวการอธิบายธรรมะเรืร่อหแบบพอต้องสอนจเวลาก็ยุิเพียงตรงนีนเ้เท่ัง